بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له و م ن ي ض ل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى u ل وأ ه واصحابه ومن ت h i wa ashabihi wa man tabi'ahum ر شرح لي ف د ر ي و ي س ر لي أمري وحل ا ل ع ق د ة من لساني يفقه قولي اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وبك نحيا وإليك المشور ا, إ ل ل ه h u m m a anta Rabbi la ilaha i l l و أ ن ا عبدك و أ ن ا على عهدك و و ع د ك م س ت ط ع ت ابوؤلك ب ن ي م ت ك عليا و أ ب و ؤ بذنبي فغفر لي ف إ ن ه لا يخف رذ ن إ أ و ب إلا انت ا ل ل ه h إني أعوذ بك من شر ما صنعت ส a l a m u a l a i k u นองผู้ร่วมนมาศซุบฮ์รุนมาศฟ ajar ที่รักทั้งหลายครับขอบคุณ Allah s u b ที่ a l l ให้เราได้มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมาบอนอันเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปี ดีใจนะครับที่พี่น้องได้มาอยะติกาฟที่มัสยิดอยะติกาฟนี่หมายถึงเอาตัวของเราเนี่ยมามากำหนดตัวของเราให้อยู่ในที่ที่เดียวเป็นการตัดตัดความสัมพันธ์กับโลกดุนยาให้มากที่สุดเหลือแต่เรากับอัลลอฮ สุบฮานาหูวะตาเลาะเท่านั้นผู้ที่อียติกาฟที่มัสยิดนั้นให้ทำสีอย่างหนึ่งอียะอไลล์ให้ตื่นอย่านอนตื่นกลางคืนให้ตื่นบางคนดู ดูมวยทั้งคืนก็ดูอะไรนะดูฟุตบอลทั้งคืนก็ไม่ได้นอนเหมือนกันแต่คนที่ยติกาฟเนี่ยตื่นเพื่อทำตัวให้ใกล้ชิดเุบาทวะ์ะก็รูปอิลลัลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละโดยการเนี่ยอ่านกุรานหรือไม่ก็นามาตหรือไม่ก็รำลึกซิคุรุลละ ประการที่สองอ้ยกรออัลลอฮูให้ปลุกภรรยาแต่ในเมื่อทุกสามีมาอยู่มัสยิดภรรยาอยู่บ้านก็ใช้โทรศัพท์เรียกก็ได้ประการที่สามอิสติฮาดขยันขยันขยันอ่านกัอ่านขยันน้ำมาดขยันสิกรุลลเหรต้องขยันนะครับประการที่สี่เนี่ย ชัดดมิซารหูกระชับผ้ากระชับผ้านี่มีอลมุลามะบางคนอธิบายดีนะก็ว่าอยู่ห่างภรรยาอยู่กับภรรยามาสิบเอ็ดเดือนแล้วเดือนนี้ก็ช่วงสิบคืนสุดท้ายนีย่ให้อะไรนะให้กระชับผ้าสโงให้กระตือรือร้อนให้อยู่ห่างภรรยานะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอให้ความดีที่ทำนั้น นะครับไปรับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราได้เรียนรูมาแลเราก็ไม่หยุดอ่านตัฟซีรนะครับวันนี้มาถึงอายะที่เจ็ดสิบห้านะครับอายะที่เจ็ดสิบห้าตรงการจะอธิบายอย่างนี้ธาตุเนี่ยนะ ก่อนก่อนจะจะแปลอธิบายก่อนนะทาตเนี่ยไม่มีอิสระคนที่เป็นทาตเนี่ยนะเขาไม่มีอิสระที่จะใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของเจ้าของทรัพย์คนที่เป็นทาตคนเนี่ยนะเป็นลูกน้องอ่ะหรือเป็นเป็นเป็นบ่าวเป็นทาตเป็นลูกจ้างเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของนายจ้างหรือของเจ้าของทรัพย์ คืาจะทำอะไรต้องได้รับการอนุญาตจากออจากใครนะจากเจ้าของทรัพย์เสียก่อนนี่ต้องการจะอธิบายว่าทาตเนี่ยกับคนที่ไม่ใช่เป็นทาตเนี่ยมันต่างกันไหมต่างกันอีกคนหนึ่งเป็นอิสระเขาเรียกว่าฮุรี่อีกคนหนึ่งเป็นฮรรุรีเป็นอะไรไม่ใช่ทาตเนี่ย คนที่ไม่ใช่ทาตุนี่ยเขาสามารถใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของเขาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งที่รับทั้งที่แจ้งถามว่าสองคนเนี่ยเท่ากันไหมล่ะ <c oughs> เท่ากันไหมไม่เท่ากันอีกคนหนึงเป็นทาตแต่อีกคนหนึงไม่ใช่ทาตเป็นอิสระเนี่ยก็เรียกเป็นอะไรนะเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นไทยอะ่ะมีสิทธิ์ในตัวเองไม่มีใครมาเป็น มาเป็นนายเหนือเราเราเป็นอลัลลอ์ให้เราเป็นอิสระอลัลลอฮ์ถามว่าคนสองคนนี่เท่ากันไหมไม่เท่ากันนี่เรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งต้องการจะอธิบายอย่างนี้ค น, นนนะคนที่เป็นทาสเนี่ยนะคนที่เป็นทาสเนี่ยก็เปรียบเสมือนคนกาเฟาคนกาเฟต กาเฟตกับมุมินเนี่ยตา่างกันไหมนะต่างกันคนมุมินก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ส่วนคนกาเฟตนั้นไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันก็ตาก่างกันกับคนที่เป็นทาสกับคนที่เป็นอิสระชนต่างกันในอายะอื่นที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นทาสเนี่ยหรือคนที่เป็นกาเฟตเนี่ยเปรียบเสมือน อ, อ, อะไรที่มันลอยตามน้านะ่ะอะไรนะ สวะใช่ไหมล่ะหรว่าของที่ลอยตามน้ําของลอยน้ํำใช่ไหมล่ะสวะสะวะลอยไปไหนก็ไปนั่นเปลืยกเสมือนคนอะไรนะคนกาเฟ็บส่วนคนมุ ม, มินนั่นกูอานอธิบายอีกเหมือนต้นไม้ต้นไม้ยืนตน้นที่อ่านมาแล้วนะที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแล้วก็คนกาเฟ็บเปลือเสมาร์เปลือสเสมือนต้นไม้ลมลุก อเ ล, ล่เปรียบเทียบไว้เยอะเนี่ยคนกาเฟตเปรียบเสมือนต้นไม้ลมลุกคนมุมินเปรียบเสมือนต้นไม้ยืนต้นคนกาเฟตเปรียบเสมือนอะไรธาตุแล้วคนมุมินนั้นเปรียบเสมือนคนอิสระเป็นคนไทยเมืองไทยไทยแลนด์เนี่ยนะไทยเมืองไท ย, ย, ไทยอเ ล, ล่ยกตัวอย่างไว้เยอะไปหมดเลยนะและอีกเรื่องหนึ่งอเ ล, ล่ก็ยกยก ยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเราเอาทาตมาเลี้ยงไว้ที่บ้านของเราเนี่ย<ส>เวลาเราตายเนี่ยเราอยากจะให้ทาตนั้นมันมีหุ้นส่วนในกองมรดกเราไหมอยากหรือไม่อยากไม่อยากเราก็ให้เฉพาะลูกลูกหลานภรรยาเราเราตายใช่ไหมมรดกก็ตกเฉพาะลูกหลานเราทาตหรือว่าคนใช้ที่อยู่ในบ้านเราจะนานกี่ปีก็ตามเนี่ย เราไม่อยากที่จะให้เขาไม่มีหุ้นส่วนในกองมรดกอลัลลอฮ์ก็ถามไปว่ า, วาขนาดคุณมีทรัพย์สินแค่เงินอย่างเดียวนี่นะคุณยังไม่อยากจะให้ทาสนั้นมามีหุ้นส่วนในกองมรดกแต่กับอลัลลอ์เนี่ยให้มีหุ้นส่วนได้ทุกเรื่องเลยเอาล่าอัลลอฮ์ถามว่าที่ที่กับฉันนะนะเอาตะกฏุด ตะกรุดสายมือนี่แหละก็เอาตะกรุดห้อยคอเนี่ยเทียบเท่าอัลลอฮ์นุ่มเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเชื่อว่าอัลลอฮ์ เ, อออนเนี่ยสร้างรุญญ่นยาสร้างนุน่นสร้างนี้แต่ยังเชื่อตะกรุดนี่ปกป้องตัวเองไม่ให้ได้รับอันตรายได้เนี่ยคุณเนี่ยกล้าที่จะเอาเชือกเส้นเดียวที่อยู่ในมือของคุณนั่นเทียบเท่าอัลลอฮ์สุภาพนะฮูวตาตังฮะแต่กับทรัพย์สินของคุณเนี่ยคุณไม่ยากให้ใครมามีหุ้นส่วน ขยายไหมเหมือนกันแต่งงานไม่มีลูกขอดูอาตอ Allah นะเลาให้ชาไปหน่อยนุ่นไปหาโตตะเกียนะโตตะเกียจา้าฉันแต่งงานมานานแล้วไม่มีลูกโตโตจา้าช่วยฉันหน่อยให้ลูกฉันหน่อยคุณน่ากล้าน่ะที่จะเอาโตตะเกียไปเทียบเท่าใคร เทียบเท่าอัลลอฮ์สุบฮานอูฮุตาลากับธาตของคุณที่คุณดูมาตึงสิบปีไม่กล้าที่จะเอามาเป็นคู่ได้รับกองรดกของคุณคุณไม่กล้าแต่กับอัลลอฮ์เนี่ยยกท่าอัลลอฮ์หมดเลยตัวตะเกียก็เท่าอัลลอฮ์ตัวระยองก็เท่าอัลลอฮ์ตะกุดก็เท่าอัลลอฮ์ลูกกอกเท่าอัลลอฮ์ยกสรัพย์สิงที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดเนี่ยเทียบเท่าอัลลอฮ์ทำหมดเลยเนี่ย แบบนี้เขาเรียกว่าคนกาเฟตคนมุสริมนี่นั่นก็ฟีอุลอาอ์อธิบายอย่างนี้พี่น้องกว่าจะมาเจออาย่านี้ก็โหเป็นปีกว่าจะเจอเห็นไหมดังนั้นต้องอ่านกัุลอาอ์ให้จบเล่มจะเข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยออามาดูกัุลอาอ์อายาที่75รอรอพระเจ้าทรงกระทำกับดัมมัมลูกะ อัลลอฮ์ทรงเปรียบอุทาหร น, นะครับโดรบาร์แปลว่าเปรียบอุทาหรนโดรบาร์เดิมแปลว่าตีนั่นแหละพี่น้องแต่พออธิบายเป็นตำเซี้ยขึ้นมาเลยมาใช่ปีแล้วไปว่าอุทาหรอัลลอฮ์ได้ทรงเปรียบอุทาหรถึงมาซาลันนับดันเบาคนหนึ่งผู้เป็นทาสนะเบาคนหนึ่งผู้เป็นทาสมำลู่กัน ลายกดิรอาจจชัชเขาไม่มีอำนาจในสิ่งใดๆทาาเนี่ยไม่มีอำนาจในสิ่งใดๆเลยเราต้องการจะบอกว่าทาเนี่ยก็คือรูปจเจวิตนั่นแหละแต่พูดฟังคุณอาเนี่ยแมฟังไม่เข้าใจนะ่ะ แต่ออธิบายพวกจะเข้าใจอลัอลอลอ์อัลลอ์เปรียบเทียบว่าไอ้รูปเจาวเวทที่พี่น้องมาใช้มุสลิมไปบูชาไปกราบนั้น่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับรูปเจ้าวเวตรูปเจ้าวเวตเน่เป็นไงไม่สามารถที่จะนำประโยชน์มาให้ท่านได้ขนาดทานนี่นเป็นคนแท้ๆนี่นะ ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรตามตามใจชอบได้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเจเวตเนี่ยทำอะไรไม่ได้เราช่วยอะไรไม่ได้หรกที่ท่านไปกราบไปบูชากันอยู่นะ่ะช่วยอะไรท่านท่านไม่ได้ <ction oscope> เราตั้งหากเนี่ย ซึ่งเราได้ไรนะได้ให้เครื่องยงชีพที่ดีแก่เขาต้องการจะบอกว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยก็คือคนที่ไรนะอัลลอฮ์ยาลาเนี่ยให้เครื่องยงชีพที่ดีแก่เขาและเขาก็วาหุวยุฟิกูมินหูและผู้เขาบริจาคทรัพย์ของเขานั้นซิรรนในที่รับ ว่าจร้อนแล้วก็ที่เปิดเผยพี่น้องสังเกตสิอลัลลอฮตาาระพูดงือการบริจาคเนี่ยอลัลลอฮเอ่ยคำอะไรก่อนนะซิ ร, รอนก่อนในภาษาอุดูว่าโปชิดะโปชิดะแปลว่าลับๆอลัลลอฮเอ่ยเรื่องบริจาคแบบลับๆก่อนนะ แล้วก็เปิดเผยที่หลังแสดง ว, ว่าการจ่ายทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดนะให้แบบไหนให้แบบลับๆไม่ให้ใครรู้นะดีไหมดีไม่ใช่ลับอย่างเดียวด้วยนะย่าฮรอนบางครั้งบางคราวก็ให้แบบอะไรนะเปิดเผยก็ได้แต่เปิดเผ ย, เเผยนี่หมายถึงให้คนได้เห็นให้คนได้ยินออกวิทยุออกสทรทัศน์ออกมือพิมพ์เปิดเผย แต่นี่สิ่งที่ท่านนบีเป็นห่วงเนี่ยถ้าเปิดเผยแล้วมันไม่ค่อยจะสะอาดห่วงนะห่วงตรงนี้ไอ้ลับๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกไม่มีใครรู้นี่มันสบายอยู่แล้วอนบีสอนยังไงบริจาคด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้อธิบายยังไงบริจาคแล้วไม่บอกให้ใครรู้ฉะนั้นการบริจาครับไม่เป็น้องแบบลับๆน่ะดีกว่าแต่บางครั้งก็เปิดเผยได้ไหมได้ ไอเ้เปิดเผยก็เพื่อจองการที่จะให้คนอื่นเขาบริจาคตาม อ, าอ้าวยีฝรุกเนี่ยบริจาคแส น, นประกาศสามวันคนอื่นได้ยินอ๋อยีฝรุกบริจากแสนนังนแหละฉันนี่รวยกว่ายีฝรุกเองจะให้แสนนะนก็แข่งกันทำความดีได้ไหมได้แต่ใจต้องสะอาด อย่งนี้เป็นต้นแต่อิสเนี่ยส่งเสริมว่างนะให้แบบลับๆนั้นดีกว่าใช่ไหมน้นๆแบบเปิดเผยทีหนึ่งจะเห็นเนี่ยคนที่บริจาคเนี่ยแต่ผมก็นั่งนั่งอยู่ในเหตุการณ์บริจาคเนี่ยซื้อดินวกัฟ บ, บริจาคไม่ต้องเอ่ยชื่อฮัมโนลินะไม่ต้องเอ่ยชื่อมาตองบอกว่ามาจากไหนด้วยบริจาค วันนี้คนเข้าใจาศาสนาเนี่ยเยอะขึ้นแต่ทำดุลินแล้วเข้าใจาศาสนาเนี่ยทำอิหม่านมันเพิ่มอ้าวตัวโลกการบริจาคนี่นะบริจาคทางทางที่ลับและที่เปิดเผยนะครับฮัลยัสตาวนะฮัลยัสตาวฮัลยัสตาวนะมันเท่ากันไหมอ่าอัลลอฮ์ถามฮัลยัสตาวูนมันเท่ากันไหมล่ะ หรือต้องการจะบอกว่าบริจาคแบบลับๆกับบริจาคแบบเปิดเผยแต่มันเหมือนกันไหมหรือต้องการจะอธิบายว่าบ่าวทาตุกับไรนะกับกับคนที่เป็นอิสระชนน่ะมันเหมือนกันไหมล่ะหรือต้องการจะอธิบายคนกาเฟรกับมูเมนเหมือนกันไหมล่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอัลลอฮ์กับไรนะกับสิ่งที่ท่านบูชาอยู่น่ะเหมือนกันไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคุณอ่านในสอนให้เราคิด ฉะนั้นคนที่คิดอ่านกัมภรอ่านแล้วคิดนะแล้ะอ่านตับซีดไปคิดตามตับซีดไปนี่นะสติปัญญาเนี่ยตอนแก่ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลยไปน้องไม่ได้ใช้ไม่ได้คิดท่า น, นคนที่อ่านกัมภรอ่านแต่ถ้าใช้ปัญญานะครับแล้วก็อ่านตับซีดด้วยอะไรด้วยจะเป็นภาษาอะไรก็ตามพด็น้องที่มีความอยู่ๆเนี่ยนะอ่านบังเอิคิดตามกันนะนะั่นน่ะเขาจะเป็นคนที่ เที่วนะอยู่ฟักกิตตักกี้ตาดักตุดคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์คิดถึงอัลลอ์มากๆเลยนะสิ่งดีก็คือว่าเวลาแกชราแล้วเนี่นะไม่เป็นโรคอันไสเมอไม่ไม่อยู่แปดแปดอย่างที่เราเรียนกันมาแล้วเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยให้ขอดวงอาตอะลอ์ให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราหนะ่ะแปดรายการนะขอทวนไหมลนะ่ะแปดรายการมีอะไรบ้างหนึ่ง ขออย่าให้เราเป็นคนขี้เหนียวสองขอต่ออลัลลอฮฺอย่าให้เป็นคนขี้เกียจขี้เหนียวกับขี้เกียจนะันไม่ดีทั้งคู่นะนะี่แหละถามว่าขี้เหนียวก็ขี้เหนียวเรื่องเงิ น, เ ง, นเงินทองทองนี่แหละไปนอกแล้วขี้เกียจนะ่ะเดินไปซีคอนได้เดินไปเอี่ยมสมบัติได้ไปพาราได้ได้แต่มาสูเราไม่ได้พอมาสูเราสาวว่าห มันเปิดมันมุ่ยไปหมดเลยเพราะว่าเอติกรารโอ้โหงานยุ่งเลยตอนนี้เมียสั่งหน้าดูเลยที่อัลลอฮ์สั่งทําเฉยเอาข้อที่สามอย่าให้เป็นคนแก่ชราเห็นไหมข้อที่สี่อย่าให้เป็นคนที่แก่แล้วแล้วก็ไม่ดีแก่แล้วหลงเอาา้าไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอเลยพี่น้องอย่าอัลลอฮ์อย่าให้เป็นคนที่แก่ชราแล้วก็หลง ข้อที่ห้าอย่าให้ถูกลงโทษในสุสานถูกบาร่าบนดุญญนยายังมีคนช่วยพาไปโรงพยาบาลมาปลอบใจมานั่งคุยแล้วถูกลงโทษในกุโบจอยู่กับใครอ่ะอยู่กับใครคนเดียวถ้าไม่มีอามันที่ซอแล้ไปไม่มีนามาดไปไม่มีบวชไปไม่มีสกาศไป ไม่มีหัจีไม่มีการทำดีกับพ่อแม่ญาติพี่น้องใกล้ชิดแล้วจะเอาอะไรไปคุ้มครองในกูโบสิพี่น้องไม่มีสิทธิ์เลยยานั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺอย่าให้ถูกลงโทษในสุสานท่านคนที่ขอจาอาไม่ให้ถูกลงโทษในสุสานต้องปฏิบัติหนึ่งหนามาดอย่าให้ขาดพราะหนามาดจะไปยืนคุ้มครองเราด้านศีรษะ นมาดด้านซิสะสะกาศด้านขวาแล้วก็ซ้ายเนี่ยการถือศีลอดแล้วก็สอดก็ทำดีอื่นๆต่างๆทำดีกับพ่อแม่ญาติพี่นอ้องยืนสิเคโรตี้อยู่ด้านเท้าพี่น้องนั่นเป็นความดีที่อัลลอะสทรงไปดูแลเราในกุโบแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่นะก็นอนมันไปพี่น้องเอ้ยไม่ใช่มันตะขาบ นอนเล่นกับตะขาบนำสนดกตรงไหนพี่น้องโดยงูเนี่ยมาฟัอาอดอยู่ในกูโบพี่น้องนบีเน่เห็นอาซาบในกูโบนบีเห็นอยู่คนเดียวที่อัลลอฮ์ให้เห็นนะ่พะพออัลลอฮ์แต่งตั้งมหฮัมมัดมาให้นบีมาสอนศาสนาน่พี่น้องนบีบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยนะไม่อยากจะขอดุดาต่ออรอลลให้คุณเห็นอย่างก็ฉันเห็น ถ้าหากว่าผู้คุณเห็นว่าอัลลอฮฺลงโทษคนในกูโบอย่างไรนี่นะพวกคุณจะไม่กล้าฝังญาติของคุณไม่กล้าฟังอ่ะพอฟังไปแล้วก็เจอนู่นเจอนี่เต็มไปหมดนบีสรุป ส, สั้นๆนะบางกูโบนอนอยู่ในกูโบบางศพ บ, บางไมยตบางคนที่นอนอยู่ในกูโบเหมือนนอนอยู่ในนรก บางคนนอนอยู่ในกุโบนั่นเหมือนนอนอยู่ในอุทยานหนึ่งของสวนสวรรค์ห็มนมากไปน้องเราตอตตนมินเรียบิลจันนักนินาบีพูดเองไปน้องนั่นต็ขอความคุ้มครองจะล้องให้พ้นจากการลงโทษที่สุสานข้อที่หกอย่าให้ใช้ยตอนมีอิทธิพลเหนือเรา ต้องอ่านดวอาเยอะๆไปน้องเช้าต้องอ่านดวอาดวอาก่อนนอนดวอาตื่นนอนดวอาเข้าบ้านดวอาเข้าห้องน้าดวอาเข้ามัสยิดดวอาตอนเช้าดวอาขึ้นรถต้องอ่านให้หมดไปน้องละดวอาไล่ผีไล่ชัยตอนด้วยอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างช้าอย่างนี้อัลลอ่ามาบิกะอัสบะนะวะบิกะอัมไซนะวะบิกะนามูตุวะบิกะนะฮยะวะอิดายกันอุชู أعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَسَامِحِيَوْ بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَذُرُّ مَعْسُمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَوَسَامِي أُنْعَلِقْ نِمَنْ لَيْشَةَ ا ل ل َّ ي ب ِ ي ْ يَا ه َ ا ا ي ط ا ن مَا ي ُ ق َ ع َ ت ُ و َ ا َ ا ي ْ ع ُ و َ ي ْ ي َ ي ْ مَا ي ُ ق َ ي ْ ت ُ ให้มาลาอิกาดีกว่าอยู่กับมาลาอิกาดเหนื่อยนะพี่น้องอยู่กับชาตอนเนี่ยตามใจเราขอเล่านิดหนึ่งนอกเรื่องท่านอบูบักนบียืนอยู่ในพี่น้องแล้วก็มีคนคนหนึ่งมาด่าท่านอบูบักดดา่ดาดา่ดาดานาบีก็ยืนอยู่นบีก็ยืนยิน้มพอถูกด่าหนักหนักเข้าทนไม่ไหวหด่าตอบ ท่านอบูบักนะมันจะคนธรรมดานะพดาตอบเป็นบางคำนบีเดินออกท่านอบูบักเห็นท่านนาบีเดินออกก็เดินตามมาถามยา่าซูลอดเดินออกมาทำไมนบีตอบบอกว่าตอนที่ท่านถูกด่าใหม่ๆเนี่ยท่านไม่ตอบฉันเป็นนบีฉันเห็นมลายกายยืนอยู่ข้างข้างคุณนะนะ่แหละแล้วก็ดาตอบแทนคุณอยู่ พอคุณมาทําหน้าที่เสียเองมาลัยกาหมดงานชัตอนมันมาพอชัตอนมาฉันเลยออกไม่อยากจะอยู่กล้าชัตอนแล้วก็คุณก็เดินออกมานี่แหละทรมานกันอยู่กับมาลัยกาต้องสวบัตสูงเห็นไหมอยู่กับมลัอยู่กับชัตอนต้องต้องสวบามาไม่ต้องสวบัตทําตามใจอพี่น้องนั่นแหละอยู่กับชัตอนด้วย คือตครับนี่ไงเห็นอย่างถ้าเรียนาศาสนาจะจะได้ยินถ้าไม่เรียนาศาสนาดูละครเรียบร้อยข้อที่เจ็ดอย่าให้มีความวุ่นวายเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่าให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายเยอะขอความคุ้มครองจากเราเราไมรับไม่ไหวอะ่ะเอาลอแค่ข่าวไม่ดีไม่ดีมาเรายะปวดหัวไปน้องฉะนั้นอย่าให้มีอะไรฟิตนสตุลมาพยาวลมามา ข้อที่แปดตอนตายอย่าให้ตายแบบไม่มีี ي ม ا ن นะพี่น้องเนี่แปดข้อที่เราขอดูอ้าวต่อา้อนนะครับพี่น้องอาต่อมาอายะอัลฮัมดุลิลลัลฮัมดุลิลลัลแปลว่าอะไรนะพี่น้องบัรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺบัลักษัลรูฮุลามุลโมนแต่คนส่วนใหญ่นี่นะไม่รู้พี่น้อง คำว่าไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้ที่จะแยกแยะระหว่างคนกาเฟตกับคนมุมินไม่สามารถที่จะแยกแยะระหว่างคนดีกับคนชั่วไม่สามารถที่จะแยกแยะระหว่างมัคลูบของอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์เนี่ยไม่สามารถจะแยกแยะ ก, ก็ได้แล้วขอบคุณอัลลอฮ์ก็เป็นน้องขอบคุณไม่เป็นนะอ่ะอาจจะยกตัวอย่างอย่างนี้มีคนเอาของขวัญมาให้เราเยอะคนนี้ก็มาให้คนนี้ก็มาให้คนนั่นพามาให้เราดีใจอ่ะ ขอบคุณท่านมากเลยขอบคุณท่านเนี่ยมากเลยเอยชื่อด้วยนั่นในประการขอบคุณที่ผิดน่ะการขอบคุณที่ถูกต้องต้องเอ่ยคําว่าอัลอลอฮฺอัลลอฮฺเป็นผู้ประทานริสกีให้คนนี้ถือขนอมปังมาให้เราปอนหนึ่งคนนี้ถือลูเงาะมาให้กิโลหนึ่งคนนี้ถือโรตีมัตตะบะมาให้โอ้โหหกเจ็ดรายการนวางกันเต็มไปหมดเลยเนี่ย เราที่ลืมขอบคุณไอ้คนที่ให้อย่างเดียวขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ถ้านี่ท่านไม่มาฉันแย่พิษขอบคุณใครข้างบนนะผู้ที่กําหนดให้สี่คนเนี่ยนำอาหารมาให้เราต้องบอกว่าอย่างนี้อย่าจะกัลลอฮค่อยรอนนี่แหละเป็นการขอบคุณที่ดีที่สุด อัลลอฮ์ก็พอใจคนรับก็พอใจแต่ถ้ามัได้เอ่ยชื่ออนะัลลอฮ์เนะนะนะนี่ยนะแล้วดูอยู่ฉันเอารีส ก, กีมาให้มันมันไม่นึกถึงฉันเลยสักนิดหนึ่งแต่อนะัลลอฮ์น่ะไม่ได้งดนะก็ให้ามันอยู่อย่างนี้แหละมันจะมีกินงวสักกี่ตัวกับมันมันกินไหมสิวัวของฉันก็ออกมาแบบง่ายๆไม่ต้องไปสร้างโรงงานเนี่ยเอาน้ามาสุจิผสมน้ำมาสุจิเป็นงัูแล้ว มันต้องลงทุนเป็นแฟสต์รี่ถึงก็ต้องหาคนงานไปทำเปลา่าอาหารของอัลลอฮ์ริสกีอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ลงทุนเลยนายเปนเนาเอาวัวกับวัวผสมกันกลายเป็นวัวแล้วออกมาเป็นอาหารของคนไม่เอาศาสนาะกขาจะกินไปกี่พันตัวแล้วเป็นเนาะหายนิยมิ ก, กากันพันตัวได้ก็เ อ, อาโรคไปอีกพันตัวอีกริสกีของอัลลอฮ์ไม่ยุบเห็นไหมเดี๋ยวนี้ริสกีเพิ่มขึ้นใช่เลยไม่ใช่ สมัยก่อนกว่าจะกินน้ําแข็งไม่ได้หร อ, อต้องเดินไปหัวป่านูน่นอตรงนี้นะ่ะเป็นคอนกรีตเป็นชนบทผมไปซื้อน้ําแข็งที่ตลาดหัวป่าในไปน้องเดืนดอนอามอสดนะกว่าจะกลับไปถึงบ้านนะ่ะเหลือแค่เนี้ยมือนึงอนะ่ะเจ้น้องวันนี้ไปน้องครับไม่มีใครกินน้ําแข็งใสอ่ะกินอย่างอื่นริสกีเต็มไปหมดแต่คนเลวกเก่ า, กาใช่หรือไม่ใช่เพราะมันอยู่สบายเกินไปใช่ไหม จะเบาหวานไขมันเส้นเลือดเต็มไปหมดเลยไม่ดูสิวันนี้เพราะว่าไม่ได้เดินไม่ได้ออกกำลังกายไมได้นอนก็กินกินกับนอนไปนอนอะไรครับอ้าวต่อมากับอายที่เจ็ดสิบหกวรอเราพระหูมาซาลละจนีอาฮะดูมาอับกามุลาอีกครูอัลลาห์ และอัลลอฮ์ทรงเปรียบอุทาหารณ์รอเราบ่รออัลอลอฮ์ทรงเปรียบอุทาหรณมาสารออยุย่ไรนี้ชายสองคนรออยู่นี่แปลว่าชายสองคนคนหนึ่งอาฮาดูฮูมาคนหนึ่งอาบบก้าโมงแปลว่าเป็นใบคนใบ และยกระดีโลอาดะใช้เขาไม่สามารถนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สามารถที่จะนำสิ่งใดๆนะครับวะฮุวาะละวะฮุวาคัลลุนอลาดมาูลาและเขานี่นะ เป็นภาระแก่นายของเขาคนใบ้คนนี้เนี่ยนายรับผิดชอบหมดเจ้านายของเขารับผิดชอบหมดไม่ว่าเขาจะเป็นจะเป็นอะไรไอนามาอยู่วัดจีหูไม่ว่าเขาจะเป็นนาย จะส่งคนใบ้ไปทางไหนก็ตามเขาไม่สามารถนำสินดีๆใดๆมาให้ได้เลยอธิบายยังไงพี่น้องอธิบายอย่างนี้คนคนอ่านนี่ถ้าอ่านอย่างเดียวไม่เข้าใจนะอธิบายยังไงอธิบายอย่างนี้คนที่เป็นใบ้เนี่ยก็เปรียบเสมือนนี่แหละรูปจเจวิต ที่พี่น้องคนกาแฟกาบปันอยู่วันนี้ตั้งแต่กูโบตตะเกียต์ระยองนี่พวกยุยทธยานะมโหผมแล้วเออโวตะเกียรประพันจำแล้วคนก็ชักน้อยลงแต่แพะยังใหญ่ขึ้นกองกายก็ยังขายได้อยู่ดังนั้นคนที่ไปยึดวัตถุนี่พน้องยึดโตนั่น แซนี้แชนี้อะไรก็ตามเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยนะคนเหล่านี้เนี่ยเปรียบเสมือนอัลบกรรมคนใดนะคนใบ้อยายะที่ผ่านมาเนี่ยเปรียบเสมือนสวะอยายะที่ผ่านมาเปรียบสมัยต้นไม้ร่มรูปเห็นไหมนะเปรียบเสมือนธาต ย, ยกตัวอย่างไว้เยอะอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอยายะนี้ต้องการจะบอกว่าธาตนัานเปรียบเสมือนอะไรนะ คนที่บูชารูปเจวเวอื่นจากอร น, นั้นเปรียบเสมือนอัปกรมเปรียบเสมือนคนใบคนใบเนี่ยเจ้านายของเขาไปส่งไปทาไปส่งไปหาอะไรมาก็ตามไม่สามารถที่จะนําของดีๆมาให้กับเจ้านายเขาได้นําอะไรของดีๆมาให้ไม่ได้เลยเอ่านี่ก็เรื่องหนึ่งนะส่วน อีกคนหนึ่งนี่คือน้องอย่างนาบีมุฮัมมัดเนี่ยนะว่มายะโมรุบิลาดดลีนบีมุฮัมมัดนั่นมากำชับสั่งในเรื่องของดีๆแล้วก็มุฮัมมัดนั่นอยู่ในทางนําถามว่ากับใบกับมุฮัมมัดเนี่ยต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันต่างกันนี่ต้องการจะอธิบายให้เราว่า วันนี้เราเนี่ยมองนบีมุฮัมมัดเนี่ยมองคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเท่ากันนะวันนี้เรามองนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่ได้มองนบีนั่นอยู่ในทางนําที่ถูกต้องเรามองนบีมุฮัมมัดนั่นเป็นไม่ใช่เป็นผู้ที่นําเอาทางที่เที่ยงตรงมาให้เรามองมุฮัมมัดเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเวลาเรามองนบีมุฮัมมัด ไม่ใช่มองเป็นนบีของอัลลอฮ์ไม่ได้มองเป็นผู้นำเอาความดีเอาหลักการของอิสลามมาให้เนี่ยเราก็ให้เกียรตินบีมุฮัมมัดน้อยแต่อายานี่ต้องการจะอธิบายว่าอัลลอฮ์เนี่ยแต่งตั้งนบีมุฮัมมัดมา น, นำเอาของดีๆจากอัลลอฮ์ผ่านนบีมุฮัมมัดคนเดียวเรื่องเกบทั้งหมดเรื่องอันซีนเรื่องที่มองไม่เห็นทั้งหมดนั้น อัลลอฮ์เล่าเรื่องที่เราไม่สามารถรู้ด้วยตาของเรารู้ด้วยสมองของเราเนี่ยอัลลอฮ์เล่าผ่านใครอัลลอฮ์เล่าผ่นานนบีมุฮัมมัดสลุลลัลอะลัยฮุสส ล, ลัมทั้งหมดเลยอย่างนี้เรื่องเรเรื่องเร้นลับที่อยู่ในกูโบ่เนี่ยอัลลอฮ์เล่าผ่านใครเรื่องการลงโทษในกูโบ่เนี่ยอัลลอฮ์เล่าผ่านใคร ผ่านนบีมูฮัมหมัดสโลลัยหุสันลำอายกตัวอย่างว่าอัลลอฮ์เล่าให้นบีรู้ให้นบีมาสอนหลังจากฝังเสร็จแล้วระหว่างที่กําลังกบหลุมอยู่กําลังยืนอ่านตัสบียดอยู่นั้นอัลลอฮ์ส่งมาลายกามาสอบสามเรื่องมารอบบูกะใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านมันนบียูกะใครเป็นนบีของท่านมันอิมามูกะใครเป็นอิหม่านของท่าน อเอาเรื่องเล่าเรื่องลับใต้ดินให้เราฟังผ่านใครผ่านนาบีมุฮัมมัดสโลนะมุสลามเป็นยงนี่ถ้าเราไม่เรียนสุนนะนบีนบี่เราจะรู้สุนนะนบีไหมล่ะความรู้เรื่องลับลับเล่นลับที่เราไม่สามารถที่จะนึกเองได้ในพี่น้องถ้าเราไม่ให้เกียรติ น, นบีมุฮัมมัดนี่เราก็ไม่รู้เลยว่าตอนนอนอยู่ในกูโบเนี่ยอัลลอฮ์สอบอะไรล ฉะนั้นอย่าปฏิเสธน บ, บีมุฮัมมัดสลตลยมูซลัมฉะนั้นเราอย่ามองว่าคนคนใบกับมูฮัมมัดเท่ากันไม่ใช่คนใบก็เมิดมือนคนที่ไม่เอาศาสนาคนกาเฟา่อย่าไปเดินตามมันตอาจารย์อธิบายอย่างนี้คนกาเฟ่เนี่ยเดินตามมันทำไม แล้ววันนี้ไอว้วัฒนธรรมเร็วๆที่มันเต็มบ้านเต็มเมืองโยนอะฟีมือใครอะฝีมือคนใบ้หมดเลยใช่หรือไม่ใช่อะที่นําเอาความเลวร้ายต่างๆมาแพร่กระจายไปทั่วไปเนี่ยอย่างถนนหน้าบ้านเราเนี่ยเนี่ยยงเจริญตอนตีสามเราไปดูสิอัลโหลอถกระบมีตัวของอาลามหมดเลยน่ะของที่นบีมุฮัมมัดนำมาลองมาแอบยุยงในนี้นั่น ง, น ง, น ง, งนั่ง น, นี้ในโซราว์เนี่ย ต่างกันใะนชีวิตของคนที่อยู่ข้างนอกก็เดินอยู่ตรงนี้ต่างกันไหมในกติสามกำลังยืนนมาดก็อยู่ใช่ไหมกิยามุลเลนเดอยู่กัอีกกลุ่มหนึ่งอยู่นู่นนะยงเจรนะเดินแก้ผ้าอยู่ข้างนอกนั่นนะอ่ะท่าชีวิตต่างกันไหมเนาะต่างกันเยอะเลยฉะนั้นเลือกชีวิตที่อัลลอฮฺแต่งตั้งมุฮัมมัดเอาทางนําที่ถูกต้องมาสอนนี่แหละ คือชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์ผู Allah, ้ศรัทธาต่ออัลลอฮสุบฮานะฮูบาดะอาาพี่น้องอี ก, อ, กอีกคนหนึ่งอธิบายอย่างนี้ข่วาวว่าท่านอุสมานเนี่ยนะอุสมานรอยัลลอฮนหูเนี่ยเป็นคลิฟะคนที่สามของนบีของอิสลามท่านอุสมานแต่งงานกับลูกสาวนาบีกี่คนสองคน ได้ชื่อว่านูร้อยนี่สองรัศมีแต่งทีละคนนะคนแรกตายแล้วมาแต่งคนที่สองอีกท่านนีนะ่มีอะไรนะมีลูกจ้างมีลูกจ้างท่านได้รับผิดชอบนะดูแลลูกจ้างให้ความคุ้มครองให้ค่าใช้จ่ายและมีอีกคนหนึ่งเนี่ย ปฏิเสธที่จะบริจาคทรัพย์ในหุนทางของอัลลอฮ์พี่น้องบริจาคทรัพย์ในหุนทางของอัลลอฮ์ลูกจ้างลูกจ้างไซนาอุสมานเนี่ยให้เงินให้ทองบอกเอาไปบริจาคนันไม่ยอมบริจาคพอไม่ยอมบริจาคเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ประทานอันกรอณาลงมาอายะห์ตัางต่อไปนี้วาลิลแลฮิริบุสสนาวะติวัลอะรฺ และของอัลลอฮ์คือสิ่งพ้นญานิสัยเรื่องเล็บทั้งหมดเรื่องสิ่งพ้นญานิสัยที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะคิดเองได้นั่นเป็นของอัลลอฮ์สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดและแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดคนนี่นะครับพี่น้องเวลามีเงินมีทองแล้วส่วนใหญ่มักจะกลัวจน ไม่อยากจะบริจาคให้ใครอ่ะกลัวได้นะกลัวจนอัลลอ์ต้องการจะเล่าว่ามีอยู่คนหนึ่งอ่ะเป็นลูกน้องท่านบุสมารไม่กล้าบริจาคเอาเงินให้เอาเงินให้เ อ, เ, ใหเอาไปทำบุญกลัวไม่กล้าบริจาคอ่ะอลัลลอฮ์ก็ประทานอ่านกลัอา่านลงมาว่าเงินทั้งหมดเป็นของอลัลลอฮ์ ทรัพย์สมบัติของคุณที่อยู่ในตัวคุณนั่นเป็นของอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้กับคุณมาที่เนียไม่ทําอะไรอแล้วก็บริจาคขนานั้นบริจาคอัลลอฮฺกําหนดไว้แล้วว่าถ้าอากาศเท่าก็มีทองเท่าไหรนะมีทองหบาทถึงหบาทให้จ่ายอากาศอัลลอฮ์กำหนดไม่ใช่จ่ายทั้งหมดที่คุณอยู่ จ, ยจ่ายเฉพาะอากาศที่คุณมีอย่างมีทองหบาทก็จ่ายเท่าไรสองหอร์เซ อ้าวมีสดอดอกก็จ่ายตามใจชอบฮ ادي ยะแล้วก็ทกําวากคาขจายไปสิพี่น้องแล้วก็นั่นใครให้นะทรัพย์สิทธิ์อัลลอฮฺตาลาให้กับคุณมาแล้วคุณไปขีดเหนียวทําไมถามว่ายิ่งบริจาคอัลลอฮฺยิ่งเพิ่มนี่หะยุสนบีมาอธิบายต่อนะมาหน้ากอดมาลุนเบนสอดอกก็ทรัพย์ ส, สมบัติที่ท่านมีอยู่นั่นและบริจาคไปในห้วทางของอัลลอฮฺมันยิ่งเพิ่ม บริจาคแล้วมันยิ่งเพิ่มเพิ่มสติปัญญาเอาเราเพิ่มความรู้ให้เพิ่มอีมานให้เพิ่มสตังให้เพิ่มความดีอื่นๆให้ลงในบัญชีของคุณทะนั้นยิ่งบริจาคยิ่งดีไหมดีเพราะคิดดูสิคนที่มีวิชาความรู้เนี่ยยังเรียนจบๆมาจากมาดินาบ้างจากซาอุดีบ้างจากอียิปต์บ้างจากอินเดียบ้างจากปากีสถานบ้างไปน้องจากประเทศต่างๆเนี่ย กลับมาแล้วก right, ็มานอนหร werd, ือไม่ก็ไม่ได้สอนเลยเนี่ยถามว่าความรู้ที่มีอยู่น่ะเพิ่มหรือว่าลดเพิ่มหรือลดลดเรียนมาทั้งหลายปีอะแล้วกลับมาถึงบ้านเนี่ยมาด้สอนคนมได้อยู่กับคนมาจะเอาความรู้มาให้อีกคนถามว่าความรู้ที่มีอยู่เดิมน่ะลดหรือเพิ่มค่อยๆลดค่อยลดค่อยๆลดค่อยๆลดเห็นไหม อ้าวแล้วก็ไอ้คนที่บสอนคนนะ่ะอยู่กับคนสอนคนใช่ไหมไปสอนที่นั่นไปสอนที่นี่ถามว่าลดหรือเพิ่มเพิ่มตลอดเวลาเช่นเดียวกันคนที่มีสตังคนะ์อ่ะแล้วก็เก็บตังค์เอาไว้นะยิ่งลดนะค่าของเงินมันลดหรือไม่ลดลดลดอา้าวลดลดล ด, ลดแล้วผลสุดท้ายลูกทะเลาะกันเนี่ยยอดสตังค์เยอะ ย่ออย่าลอให้ยอ่ยอตายไวๆก็แล้วจะได้ <c oughs> บริสุทธิ์รอพี่น้องนี่ต้องมีเงินแล้วก็ บ, บริจาคดูแลอลัลลอฮ์ก็กระเพื่กระเป๋าทําทงานขยันกันแข็งฉะนั้นสูตรที่อลัลลอฮ์วางไว้พี่น้องถ้าเราคิดเองเนี่ยนะเราขี้เหนียวจนหมดตลอดพี่น้องเลยแต่ถ้าเราวางใจกับอลัลลอฮ์แต่ว่ากั้นกับอลัลลอฮ์ทั้งหมดเราจะไม่ขี้เหนียวกับใครเลยบริจาคบริจาคบริจาคบริจาค น้องพมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะนี่ประตูสุรอาอบองค์เคสนี่ลมมันมาด้านนู้นใช่ไหมผ่านตรงนี้ลองปิดปิดนี่หมดเลยลมผ่านไหมไม่ผ่านอะ่ะพอเปิดถึงจะผ่านใช่ไหมพอเปิดประตูด้านนี้ภาพลมเข้าออกด้านนี้เพราะมันมีทางออกเงินก็เหมือนกันได้มาแล้วเก็บเงินไม่ไม่มามันต้องเปิดให้มันออกมันก็ไหลกันเข้ามา อัลลอฮ์เงินก็สะอาดหัวใจเราก็ดีพี่น้องบรารักัดรีสกีเต็มหมดเลยอัลลอฮ์ตาลาให้บุคคลตัวอย่างในอดีตที่บริจาคทรัพย์ุริบาร์ของอัลลอฮ์มีใครบ้างที่เป็นหนี้สินล้นท่วมท่วมตัวเพราะบริจาคไม่มีมีแต่กินดอกเบี้ยหรือว่ากระจายดอกเบี้ยอัลลอฮ์เล่นงานหมดเลยนะพี่นอ้องต่อมาครับ والله ิ غاي بسمواتي والارو อัลลอฮ์เล่าเรื่องความลับนะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดเรื่องลับๆทั้งหมดเป็นของอัลลอฮและสิ่งที่อยู่ในดินทั้งหมดเป็นของอัลลอฮรวมไปถึงใต้ดินที่เป็นน้ํามันเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นของอัลลอฮทั้งหมดแล้วขี้เหนียวทําไมเนี่ยในเมื่อมีดินอยู่มีทรัพย์สินอยู่หน้าซีคอน อัลลอฮ์ก็ขายเป็นบางส่วนเอาเงินนั้นมาทำงานศาสนาไม่ดีกว่าหรือพี่ น, น้องพืนพูดอย่าอย่าไปกลัวจนเล ย, เยบริจาคไป็ น, นคุณทางของอัลลอฮ์อ่ะต่อมาครับพอพูดถึงเรื่องการบริจาคทรัพย์ ส, สินอัลลอฮ์พูดว่าวามาอัมรุสและเรื่องราวของยามอาวสานอาซาเดิมแปลวันนาลิกา แต่ตรงนี้แปลว่าวันเตียมะเห็นไหมคนที่มีเงินเนี่ยส่วนใหญ่ลืมอัลลอฮ์ลืมสังคมคิดถึงจะครอบครัวตัวเองไม่จะคิดถึงคนอื่นอัลลอฮ์เตือนว่าวามาอัมรุซาอรู้ไหมสัญญาณวันเกียมะวันอาวสารวันสิ้นโลกนั้นมันมาไวนะอิลลากลัมฮิลบาสรมันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเพียงพริ ตาเดียวมันมาไวามากครับพริบตาเดียวโลกนี้จบจบดวงดาวร่วงลงมาดวงอาทิตย์จบพังหมดพี่น้องก็ล้ำคุลบสวามาเอาหัวอักครอบหรือเร็วกว่านั้นอีกอักครอบแปลว่าใกล้หรือเร็วกว่านั้น วันเกียมามีไหมมีแน่แน่วันสิ้นโลกมีไหมมีฉะนั้นปัจจัยที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ไม่ถาวรเลยบ้านของท่านราคาสิบล้านถาวรไหมไม่ถาวรฟันเจอร์ที่อยู่ในตัวท่านเนะ่เพดพลอยทั้งหมดถาวรไหมไม่ถาวรชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งถาวรไหมไม่ถาวรฉะนั้นใหญ่ไปติดยึด จะไปติดจะไปยึดเพราะนั้นขอให้ทํางานแล้วฝากไว้กับอัลลอฮ์ทำงานแล้วฝากไว้กับอัลลอฮ์พี่น้องอย่างนมาถือเส้นอดอ่านกุณอ่านอีติก้าซิกรุลล้อทําแล้วฝา ก, กอัลลอฮ์เลยไอ้อยู่กับอัลลอฮ์นั้นไม่มีวันหมดอายุที่เราเก็บไว้ที่ธนาคารหมดอายุฝากไว้กับสังคมหมดอายุ ฝากไว้กับภาพการเมืองหมดอายุฝากไว้กับภรรยาหมดอายุฝากใครไม่หมดอายุฝากใครฝากอ l ลเห็นไหมว่าไม่ Indah Allah i b ว่าม่ Indah สิ่งอะไรที่อยู่กับพวกท่านอยู่กับมนุษย์หมดอายุแต่อะไรก็ตามที่ท่านพี่น้องทำเป็นความดีแล้วฝาก a าล a h ไม่หมดอายุ นบีอธิบายว่าคำว่าไม่หมดอายุเนี่ยมันจะอยู่แบบบอนไซนะรู้จักบอนไซใช่ไหมกิ่บี้กิ่บีกับท่านี้แหละตัดนู่นตัดนี่ไม่ให้มันโตนบีบอกว่าความดีที่ท่านทำอย่างบริจ า, าอินพลัมหนึ่งเม็ดเรามองดูเม็ดเดียวไม่เท่าไรอ่ะแต่นบีบอกว่าเปรียบเสมือนท่านเลี้ยงลูกแพะยิ่งเลี้ยงมันยิ่ง ยิ่งเลี้ยงบัณยิ่งโตท่านบริจาคอินทรพลำหนึ่งเม็ดให้คนคนหนึ่งละสุดอดน้ำหนึ่งแก้วเราเลือกว่าน็ตหน่อยที่ไหนได้ไอหนึ่งแก้วกับอินทรพลำหนึ่งเม็ดเอาไปเลี้ยงต่ออีกค่อยๆใหญ่ๆๆๆๆความดีนายพี่น้องนาบีชี้ถูกภูเขาอุฮุดใหญ่หรือใหญ่หรือเล็กหล่อนั่นแหละรางวัลใหญ่ถึงขนาดนั้นแค่นั้นทําความดีพี่น้อง ทำเล็กน้อยได้ไั้มได้แต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วฝากบัญชีอัลลอ์สุบาฮานาฮูวะตาแล้วกลับไปถึงบ้านเห็นหน้ามะสามาลามมะระกุมเห็นหน้าคุณพ่อสาาลามมะระกุมหอมมือกอดพ่อรางวัลทั้งหมดนั่นแหละจะอัลลอฮ์ฝากอัลลอฮ์เนี่ยกอดมะกอดพ่ออย่าลืมนะเงินเดือนของลูก จะเป็นเท่าไรก็ตามน่ะเป็นของพ่อทั้งหมดนั่นแหละถ้าลูกไม่เรียนศาสนาก็นื้ว่าของฉันถ้าเรียนศาสนาของพ่อเอ๊ะทำไมพ่อไม่เห็นขอเน่ยสักีพ่อเราก็ไม่ของ่ายๆเหมือนกันถ้าลูกไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจถัดมามาเอียอติกรรมมาฟังศาสนาเออต้องของพ่อของพ่อพ่อเอาป่กคุณแม่ให้ไม่แน่หรอามาเด่๋ยวไ ให้เพ่เช่าคุณพ่ออยางได้มาห้า0มืนพ่อเอาไปหมื่นนพ่อเอาไปทำวักกัฟว่าเดินมาสุราษฎ์ห้ารอเหยียดปุ๊บตัวแม่พี่น้องสุราษ์ไหนก็ได้ไปก็ยอดทำบุญพี่น้องให้พ่อได้ทำบุญอ่ะพี่ต้องได้อย่าลืมนะเงินเดือนของลูกที่ได้มาเป็นของพ่อทั้งหมดนะห อ, อขอบคุณาะรอนี่อิสลามนะพี่น้องท่านนาบีผูมัทไม่เล่ารู้ไหม ไม่รู้ถามตัวไม่นคนกาแฟคนฝังกันู้นอินนัลลอฮฺอาลากุลิชัยอิงกอดีแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งคือน้องเรื่องลับๆที่ไม่มีใครรู้มีอยู่ห้ารายการขอเล่าให้ฟังในสุร้อนลุกมันอายาสุดท้ายของสุร้อนลุกมันลองเปิดดู มีเรื่องลับอยู่ห้าเรื่องไม่มีใครรู้หนึ่งวันเตียมะจะเกิดเมื่อไร่ไม่รู้สองฝนตกฝนฝนฝนตกเท่าไหร่ไม่รู้ลมพายุก็ไม่รู้พี่น้องพูดเรื่องฝนตกถ้าหากว่าเราตื่นเช้าขึ้นมามาน้ม า, นะมาสุบอบะพอออกไปยืนหน้มามัสยิดอล๋อที่ฝนตกเมื่อคืนนี้เพราะดาวดวงนี้ทําให้ฝนตกชีริก กาแฟเลยอ่ะนี่นบีสอนอ่ะพอฝนตกกลางคืนเรามามาเสดสบูแม่คืนนี้อากาศดีจริงสบูนี่อากาศดีจริงอากาศเย็นสบายระบอกเพราะอิทธิพลของดาวเฮเลยยกตัวอย่างสมัยก่อนมีดาวอยู่ดวงชื่อเฮเลยเฮเลยผ่านมาตรงนี้ไปน้องนี่แหละเฮเลยมานี่รัฐบาลพังเฮเลยมาไอคนนี้เกิดเฮเลยมาพักการเมืองคนนี้ยุบ อ้างอะไรนะอ้างดาวคนที่อ้างดาวทั้งหมดนั่นเป็นกาเฟตทอดยศต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุฮาห์ะฮุวาตานะเราเห็นฝนตกเราบอกว่าอัลลอฮ์โปรดปรานี่น่เป็นมุมินถ้าบอกว่าเพราะดาวกาเฟตเลยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยอีมานพี่น้องเรื่องแค่นี้เองพญาทองพ่อโตตะเกียรเอาโหยพี่น้อง เลวสุดๆเลยเนี่ยมันเมาพระโต้ตะเกียกได้ไงอะ่ะเอาโต้ตะเกียกเท่าใครเท่าอัลลอฮ์ที่กมรมรดกคุณเนี่ยให้ให้ท่านมาร่วมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้อันนี้มันนอกตระกูลกับอัลลอฮ์พวกเดียวกันเท่าอัลลอฮ์หมดเลย น, นี่ชุริกจังแรงเลยครับพี่นอ้องเอาต่อมาครับสิ่งที่อยู่ในคันมารดาเนี่ยไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์องเดียว แล้วก็ท่านไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะทําอาชีพอะไรในวันพรุ่งนี้บางคนจบนู่นจบนี่มาไม่เดี๋ยวทำอาชีพพี่จบไ ป, ไปเป็นผานโรงก็มีบางคนเรียนแพทย์มามาเป็นครูก็วมี้พี่น้องผมมีเป็นผู้ใหญ่อยู่คนหนึงหมอฮาชิมหนุนอ น, นันจบแพทย์แต่มาเป็นหามาได้มาเป็นอาจารย์เป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้จัดการโรงเรียนไม่ได้เรียนไม่ได้เอาความรู้เดิมมา มาได้มาชายไม่เอาไม่รู้อใช่ไหมแล้วข้อที่ห้าไม่รู้ว่าตายในแผ่นดินไหนอย่ามาจองกูบัวของเคสแหะอาจจะไปตายที่เขมรก็ได้ก็จะไปรู้ใช่ไหมแฉะนั้นตายที่ไหนฝังที่นั้นมาต้องแบกกรับเสียสตังถ้าเป็นความดีเป็นต้องอลัลลอฮฺพาไปสวรรค์หมดนะถ้าจะตกนรกอยู่ตรงไหนมันก็ตก ถ้าไม่ทําความดีสักอย่างหนึง่งตกลงว่ามีความลับตัว่กี่อย่างนะห้ารายการไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาลาฉะนั้นวาลิลละฮิร้อยบุสมาวาติวลาตเรื่องเร้นลับทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะเล่าไม่ใช่เล่าผ่านแทะโตตะเกียโตะระยองผ่านใครผ่านนาบีมุฮัมมัดคนเดียวคนอื่นอัลลอฮ์ไม่เล่าไม่ฟังแต่ไซดีนาอาลีนะก็ เ, เก่งนะข อ, อธิบายนิดหนึ่ง ไซนาลีว่าเงี้ยโลกดุนยาเนี่ยฮั ก, กีรมากเลยตาต้อยมากเลยไม่มีราคาอันนบีบอกว่าถ้าโลกใบนี้มีราคาเท่าปีกยุงอลัลลอฮ์จะไม่ให้คนกาแฟ่ ด, ดื่มน้ําสักอึกหนึ่งไซนาลีอธิบายดีเขาบอกว่าผ้าไหมเนี่ยราคาแพงที่สุดทํามาจากน้ําลายทํามาจากน้ําลายอะไรนะน้ําลายหนอน ที่เชียงใหม่มีค่าที่ไหนอา้าวน้ำพึง่งชีฟาอุลลินาเป็นยารักษาโรคบางโรคดีที่สุดไม่ใช่ทุกโรคนะถ้าอัชชีฟามีอลิฟลาบแปลว่าทุกโรคแต่ว่าชีฟาแปลว่ารักษาโรคหลายๆโรคให้หายแพงที่สุดดีที่สุดแต่ต้องแท้นะรู้ไหมทํามาจากอะไรทามาจากยี่เคี้ยวเยวี้วขี้ของใครของมะแรงพึ่ง ตามสุดๆๆแต่ว่าดีที่สุดใช่ไหมแฉะนั้นโลกดุยาเบนี้ไม่ดีราคาเลยในสายตาของอัลลอฮแต่ของเราถ้ามีที่อยู่หน้าซีคอนเนี่ยสักสิบรายเนี่ยโลอัคบัรเนียดเลยไปทมบุมระองทำพัญธยีซื้อรถให้ลูกวิ่งแข่งกันบนถนนอเอาต่อมาอายาที่เจ็ดสิบแปด วะแล้วอัคราจะคุ้มิบุตรุ م ิอุมมหะติคุมนี่อัลลอฮ์ให้เรานึกถึงแม่เราคนอ่านก็อานต้องนึกถึงแม่อลาว่าว่าไงครับและอัลลอฮ์สรงให้สูเจ้าเนี่ยออกมาจากคันของแม่ของสูเจ้านี่พออ่านอ่านไปคิดถึงแม่ อัลลอ์มะตายแล้วอัลลอฮุมักฟิลลีวะลิวลิดายะ و, لي و, لي و ما ما ر ح م ه กรรมรบไนีสักิอนึกถึงแม่ถึงอัลลอฮ์เองอ่ะใครให้มะเราอัลลอฮ์ Allah ส่งมาเห็นใจต้องผูกพันเนี่ยกับมะเรากับครอบครัวเรากับอัลลอฮ์ผู้ให้แม่เรามานะครับ ตอนที่เราคลอดออกมาใหม่ๆเนียเป็นไงลาตาลาโมนาชัยสูเจ้าไม่รู้อะไรเลยใช่หรือไม่ใช่ไ ม, ใชไม่รู้เลยเลยแล้วใครส่งเรียนหนังสือพ่อก็มกนั่นแหละเหนื่อยอา้าวลูกไปเรียนป้ า, เ, าเรียนจบมาคุยอีกกูแน่กูเก่งใครบอกขอบคุณน่องนองงอีเลารอให้อะสติปัญญาเนี่ยจะทั้งทัง้งเรียนหนังสือจบ ตอนนี้มีงานทำแล้วมีเงินเดือนแล้วก็คิดถึงมะถึงถึงยอะแล้วคิดถึงอร่อยใจสากาดนี่เตือนหมดเลยนะครับดุริยางตอ น, น, นออกมาใหม่ๆนะไม่รู้อะไรเลยแล้วคนส่งเรียนหนังสือกับใครกับมะแล้วตอนข้างอรุบาลนะไปร้องที่อรุบาลสี่วันห้าวันแม่ก็ต้องยืนหลบๆจะให้ลูกเห็นเนื่อยเนาะเราพอโตได้ลืมมะ มีอยู่คนงเตะแม่ตัวเองอ่ะพี่น้องแล้วก็นอนเหมือนหมาข้างถนนนงาจะบินเลยมีญาติพี่น้องฉันั้นต้องขออธิฐาให้แม่ให้พ่อเนี่ยอัลลอฮฺทำไมอัลลอฮฺเอ่ยแม่ไม่เอ่ยพ่อเพราะแม่เหนื่อยกว่าพ่อทังเยอะเหนื่อยคนละอย่างอ่ะแม่่ะอุ้มคันเรากี่เดือนแปดเดือนเก้าเดือนอัลลอฮฺอุยอายอุยอาจะกล้ายจะข้อดดีพี่น้องนอนก็ไม่รับก็ได้ก่ไม่รับ ที่แม่ที่มีาศาสนาก็อ่านคุรอานเยอะหน่อยเห็นไหมพอคุรอานก็ท่องห่างแ ค, ค่คืบเดียว พ, อ, พอลูกเกิดมาก็เก่งท่านั่งเล่นไพ่ก็เรียบร้อยเลยเกิดมาก็ลูกเล่นไพ่เก่งก็มาอีเพราะว่าท่องกับลูกห่างแ ค, ค่คืบเดียวเหมือนกันวัลลอฮฺอัลลอจะกุมมินบุตูนิอุมมะฮะที่กุมอัลลอฮฺเนี่ยทรงให้สูเจ้าออกมาจากคันของแม่ของสูเจ้าอัลลอฮฺอัลลาบารัดฮัมดุลิละ ลาตาลมูนอชัยอันตอนออกมาไว่มาเนะรู้อะไรไหมไม่รู้และอัลลอ์ก็ให้ความรู้ทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยและจ้าละกุมุสซัมวัลอบซารวัลอัฟดอัลล์ให้เอเยนสามเอเยนตัวอย่างหนึ่งให้ไรนะให้มีหูก็ต้องการจะบอกวันในคันมานดารอัลลอ์สร้างหูก่อนสังเกตสแล้วไปศึกษาดู หูก่อนแล้วต่อมาตาแล้วก็ต่อมาหัวใจในคันมันดาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างอะไรก่อนพี่น้องหูก่อนแล้วก็ตารองลองมาหัวใจซาบเอเจตที่พี่น้องมีเรื่องลับทั้งหมดใครจะอธิบายให้ฟังอัลลอฮ์เล่านะตะพีคุราน เล่าถึงขนาดนี้น่ะละอัลละกุมตัสกูรูเพื่อสูเจ้าจะได้ขอบคุณด้วยการทำดีหรือหมดูแลี่น้องดูแลตาใหด้ดีไป น, <c oughs> น้องเห็นผู้หญิงสว ย, สวยเดินมาทำไงมองครั้งแรกได้ไหมได้มองซ้ำได้ไหม ด้เดี๋ยมองซ้ําได้ไหม ไ, ม, ไ, ไ, ห ม, ไม่ก็้าพูดมองซ้ําเนี่ยไม่ได้พี่น้องแต่คนที่มองไม่มองน่ะดีฝื้นอารมณ์พอฟื้นอารมณ์นี่ยนะยัดยึดทาแล้ววัตรีมานเขาได้พบกับความหวานฉ่าของอีมานไอตอนก้มน่ะคิดว่าแฟนเราที่บ้านน่ะสวยกว่า น, นี้แต่งเยอะ บางคนหันหลังมาซะอัลลอฮอัลลอฮฺก็อักบัติว่าอย่างไงอ่ะเขาไม่อ่านดุอิศอุทว่างี้อ <tan> ัลลอฮมะอินนีอัอูซบิกะมินฟิดนินนิาะอาซาบิลกบรีผู้หญิงก็เหมือนการเจอบูชาลลอเนี่ยเขาตากรรมการเหมือนน่ะก็ต้องพูดอินนีอาอูซูอ่านไม่ทูแล้วสิอัอูซออูซบิลา มิฟิตเนติริจารแบบแวาวาจาบิลกอบรีต้องอ่านทั้งสองนั่นแลหละนี่อัลลอฮฺสอนผู้ชายผู้หญิงก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยเจอผู้ชายหล่อๆก็ต้องระวังด้วยนะครับอายะสุดทา้ายนะครับพี่น้องอาลัมยาเราอีลาปลอยพวกเขาไม่ได้มองดูนกหรือปลอยรุนเบว่าเบิร์ดม่ได้มองดูนกหรือนกนกนก อัลลอห์นี่มันอัลลอฮ์สอนให้คิดหมดเลยมองดูนกเหนกนกมุซัครอติมฟิจาวิสมามันอยู่ใต้อำนาจของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ให้ทั้งหมดนั่นแหละบินท่ามกลางท้องฟ้ามันบินใช่ไหมเนี่ยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเครื่องบินถามว่าเครื่องบินนะ่ะเอาความคิดนี่มาจากไหนอ่ะมาจากนกนั่นแหละ เห็ไหมแล้วก็เป็นไงครับทำไมมันไม่ร่วงลงมาล่ะมายุมซิกูฮุนอิลลอละไม่มีผู้ใดรั้งมันไว้กลางฟ้านอกจากอัลลอ์ต้องเรียเรี ย, รยวิทยาศาสตร์ก็รู้<ม>โอมันไม่ตกเพราะอะไรสิ่งดึงดูดอธิบายพระเจ้าพี่น้องอายาเดียวก็คือมายุมซิกูฮุอิลลอ ที่อัลลอฮ์ไม่ให้มันร่วงเพราะอัลลอฮ์รั้งมันไว้ไม่ให้มันร่วงสรุปง่ายๆไปเรียนเถอดพี่น้องทําไมไม่ร่วมเพราะอะไรสิ่งดึงดูดข้างบนข้างล่างเต็มไปหมดพี่น้องของอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละเห็นไหมจฉะนั้นคนที่อ่านกุูอ่านมองลูนกอิมานต่ออัลลอฮ์ได้ไหมได้นขึ้นขึ้นบินอีมานต่ออัลลอฮ์เพิ่มไหมเพิ่ม นั่งบินน่ยกลัวทุกทีกลัวตกอีมานก็ยังไม่เยอะศาสนาก็ยังเต็มไม่เต็มที่นามาก็ยังขาดขาดอยู่แล้วตายทําไมอัลลอฮ์อย่ า, AH, ยาพังตายด้วยขอทุกฮาต่อแล้วนั่นสอนให้ดูนกนกนกอัลลอฮ์นี่คือมันรองเจบ็จบเจบ็บเจ็บเจ็บมันสิเกตถึงอัลลอฮ์เอาจะมองลงมาตามไปดูไก่ที่เราเลี้ยงไก่ อ, อวัะเวลามันขันมันขันช่วงไหน เวลาโซโบเวลาจุฮดเวลาอัสซัดมริบตอนตีสี่มันขันจีเพื่อให้ลุกขึ้นละมาดละไกมันขันมันขันว่าไงอุซูกูรุลโลนี่แปลเป็นภาษาอังกจงไปจําเรื่องถึงอัลลอฮ์กันเถอะโอกอีโอกโอกนั n n e wa, oh ่นแหละมีอุลามะอยู่คนก็แปลดีก็บอกอุซูกุรุลโลจงําเรื่องถึงอัลลอฮ์เธอไอคนที่เลี้ยงไก่อูเวย คนเลี้ยงไก่อูย่ายเป็นมุสลิมนุ่งผ้าสโลงอ่ะและตีไก่กันพวกนี้มาล้อเรียกมาจ่าพ่อจ่าแม่จ่าดิดอลอน่าคิดท่านคนที่เลี้ยงสัตว์พวกนี้นะต้องนมา ต, ต่อรอให้เยอะเลี้ยงนกหัวจุกมันจะนมาเลยเลี้ยงไก่ก็ไม่ น, นมาเลย ทั้งที่ไก่ลงเตือนมึงเปนมาศบ้างถ้าแปรได้นะมึงแปรไม่ได้พี่น้องทั้งหมดแล้วนี่จะเป็นนกหรือไก่แพะแกะอัวควายที่ที่ที่เอาล็อให้เรามาเอาล็อเอาลอแพะแกะอวควายนี <caminho> ่เป็นริสกีเพราะทั้งหมดเนี่ยให้มาทำไมอินนฟีาลิกะลาอายติลกามียุมินูน แท้จริงในนั้นมีสัญญาณแน่นอนสำหรับประชาชนผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮสุบฮานาฮูวะตาลาฮะดิษอธิบายเยอะเรื่องนี้แต่เอาไว้อิติ์หน้าก็แล้วกันนี่จะใช้เวลามาหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับเอาตวลวองว่านกอัลลอฮให้เราเห็นนกคิดถึงอัลลอฮไก่เลี้ยงแล้วต้องเราเลือกถึงอัลลอ แพะแกะอัวควายกำลึกถึงอัลลอฮ์ตัวตาเรานะครับถ้ารวไปถึงเนี่ยหูตาจมูกของเราเนี่ยเราทําอะไรเพื่ออัลลอฮ์บ้างหูมีไว้เพื่ออะไรตามีไว้เพื่ออะไรหัวใจมีไว้เพื่ออะไรดำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านหัวใจได้ไหมได้ศุบภานอัลลอฮ์น Allah, ในใจแหละศุภานอัลลอฮ์ศุภานอัลลอฮ์อามุลิลลาห์ปาก ทั ur, ้งหมดนี il ้เป็นเอเจนต์เอาไว้ติดต่อกับอัลล์ ب ح ا ن ه ะ ع ا ل ى อัลลอฮคบ ب ح ا ن ะกุลล่ฮุมะวิฮัมดิกัสโวลละอิลละอิลละอัลดาอัลตักวิรุกวะตบลสลอลัยุมราะห์มตุลลอฮิวะบรกตุ